ออท่านผู้มีจิตศรัรทธาในความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้เข้ามาวัด เพื่อที่จะมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราเชื่อว่าการศึกษาการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะนำความสุขความเจริญความเป็นเศลษฐีมงคลมาให้แก่ชีวิตและก็เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่สงตัดไว้ว่าพวกเรานี้ถือว่าเป็นพวกที่มีโชคครลาบอันยิ่งใหญ่เป็นโชคคาลาบที่ใหญ่กว่าการได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งผ่นครั้งเพราะสิ่งที่เราได้พบนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ากว่ารางวัลที่ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง จะมอบให้กับเราได้สิ่งที่เราได้พบสิ่งที่เป็นสิ่งที่หายากคืออะไรก็คือเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสิ่งที่นานๆนจะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเพราะนานๆนจะมีบุคคลวิเศษฉลาดอย่างพระพุทธเจ้า มาตัดสรุธรรมันประเสริฐแล้วนำเอาทรมันประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัวโลกสักครั้งหนึ่งถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุไม่มีการสั่งสอนพวกเราจะไม่รู้จักทางออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เลยพวกเราตอนนี้เป็นเหมือนพวกที่ติดคุก คุกของเรามีกำแพงอยู่สี่ด้านด้วยกันคือกำแพงเกิดกำแพงแก่กำแพงเจ็บและกำแพงตายพวกเราติดอยู่ในคุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเราตายมากี่ครั้งเราก็จำไม่ได้เราเกิดมากี่ครั้งเราก็จำไม่ได้ถ้าเราอยากจะรู้ว่า เราได้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกี่ครั้งก็ลองใช้การคำนวณแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คำนวณคือให้เราเอาน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาตินี้มาสะสมเอาไว้มารวบรวมเอาไว้แล้วคูณด้วยปริมาณของภพชาติที่เราได้มาเกิดแก่เจ็บตาย อุตจ้าบอกว่าปริมาณน้ำตาที่พวกเราได้หลังได้รวบรวมมานี้จะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรถ้าคิดดูกันแล้วกันว่าจะต้องเกิดแก่เจ็บตายสักกี่ครั้งด้วยกันเึงจะสะสมรวบรวมน้ำตาที่เราหลังในแต่ละพบแต่ละชาติมาให้มีมากกว่าน้ำในมหาสมุทร ด้านนี้เราร้องไห้น้ำตานี้ถึงขันหนึ่งแล้วยังสมมติว่าถึงขันหนึ่งแล้วแล้วต้องใช้อีกกี่ขันด้วยกันถึงจะมีน้ำมากกว่าน้ำในมหาสมุทรจะต้องมาเกิดแก่เจ็บตายมาร้อ ง, องห่มร้องไห้มาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอีกกี่ครั้งด้วยกันถึงจะ ได้น้ำตามากเท่ามากกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่แหละคือจำนวนพบชาติการเกิดแก่เจ็บตายของเราที่เราได้ผ่านมาแล้วเราวยังไม่จบยังจะต้องดำเนินต่อไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบวิธีที่จะยุติ การเกิดแก่เจ็บตายนี้แล้วเราก็ต้องศึกษาวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติให้เราดำเนินแล้วถ้าเราปฏิบัติตามได้ดำเนินตามได้เราก็จะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วเราจะได้ไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้ ให้มีน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกต่อไปเราจะมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสาราเริ่เบิกบานไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่เสียอกเสียใจไม่เศร้าโศกไม่ทรมานใจกับสิ่งต่างๆอีกต่อไปนี่คือความวิเศษของพระพุทธเจ้าและของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่นานๆานจะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งอยากจะรู้ว่านานสักแค่ไหนก็ลองคำนวณแบบที่พตะพุทธเจ้าสอนให้เราคานวณคือทุกร้อยปีให้เราเอาผ้าไปรูปที่ภูเขาหิมาลัยหนึ่งครั้งทุกๆุกร้อยปีให้ไปทําอย่างนี้หนึ่งครั้งรูปภูเขาหิมาลัยให้ทําอย่างนี้ให้รูปอย่างนี้ไปจนกว่า ภูเขาหิมาลัยนี่หายไปศึกไปจากการรูปของเรานั่นแหละคือเวลาที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมาปรากฏให้แก่พวกเราได้กราบไหว้บูชาได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมดังนั้นการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ จึงเป็นเถรว่าเป็นโชคลาภที่ยิ่งกว่าที่ยากกว่าการถูกลอตเตอรี่ร้อยครั้งพันครั้งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งพันครั้งก็ยังง่ายกว่าการที่เราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่จะมอบให้กับเราก็มีมากยิ่งกว่าเงินรางวัล ถูกลอตเตอรี่ร้อยครั้งพันครั้งและประโยชน์ที่ได้รับจากรางวัลถูกลอตเตอรี่กับประโยชน์ที่ได้รับจากการได้พบกับพระพุทธศาสนาก็ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินได้รางวัลที่หนึ่งพันครั้งได้เงินมาเป็นพันล้านมันก็ไม่สามารถมายุติการเวียนว่ายตายเกิดของเราได้ ไม่สามารถที่จะมายุติการหลั่งน้ำตาร้องโหมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆได้แต่การได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและได้ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจา้าอันนี้แหละที่จะเป็น <c oughs> ประโยชน์อย่างมหาศาล เพราะจะทำให้เราหมดทุกข์หมดภัยไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องมาร้องหล่ร้องไห้อีกต่อไปนี่คือสิ่งที่ยากเย็นที่พวกเราได้มีโอกาสได้มาพบเข้าอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่พระพุทธเจ้าทรงบอกว่าเป็นสิ่งที่ยากเย็นก็คือการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ การได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละคงนี่ยากกว่าการไปเกิดเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานเขาเวลาออกลูกทีเขาออกเป็นหหลออกเป็นฝูงแต่มนุษย์นี่ออกทีละคนนั่นบางทีก็ไปโดนพ่อแม่ใจจืดใจดําออกมาแล้วก็ถูกจับยัดน้ํากดน้ําตายไปหรือพ่อแม่ที่ไม่อยากจะเลี้ยงลูกก็คุมกําเนิด กินยาคุมกำเนิดกันลองเทียบปริมาณของมนุษย์กับของเดรัชานดูก็แล้วกันว่าตามกันขนาดไหนปลาที่มีอยู่ในมหาสมุทรนี้มีมากขนาดไหนหมดแมลงที่มีอยู่ในโลกนี้มีมากขนาดไหนสัตว์ต่างๆนกเออยอะไรต่างๆนี้มีปริมาณมากกว่ามนุษย์เราหลายล้านเท่า้วยกัน การได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจึงง่ายกว่าและการมาเกิดเป็นมนุษย์จะยากกว่าเพราะการจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี้ต้องมีศีลห้าถึงจะเป็นมนุษย์ได้ถ้าไปทำบาป ก, ก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นผีไปตกดรลก จนกว่าบาปที่ได้ทำเอาไว้นั้นได้หมดไปแล้วทำให้เราจึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละคือความยากของการที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยถ้ามาพบกับพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้เป็นมนุษย์ก็จะไม่ได้รับประโยชน์ พราะจะไม่สามารถศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เช่นบวชไม่ได้ถ้ามาเกิดเป็นเดรัจฉานเช่นสุนัขที่มาอาศัยวัดอยู่ถึงแม้ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาอยู่วัดแต่ก็อยู่แบบเดรัจฉานไม่ได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนก็เลยไม่สามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นการที่เราจะได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเราต้องมาเกิดเป็นมนุษย์และต้องมาเกิดในจังหวะที่มีพระพุทธศาสนาถ้าเรามาเกิดหลังห0 0พันปีไปแล้วนี้จะไม่มีพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่ในโลกนี้ ก็จะไม่มีใครรู้จากวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดได้นี่คือสิ่งที่ยากข้อที่สองที่พวกเราได้รับกันแล้วถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งหลายหลายพันครั้งด้วยกันถึงจะได้รางวัลระดับนี้คือได้พบกับพระพุทธศาสนา ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และข้อที่สที่เป็นสิ่งที่ยากก็คือการที่เรามีเวลามาศึกษาและมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะชีวิตของพวกเรานี้มีเรื่องวุ่นวายมากมายที่เราจะต้องเดินรนทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงภรรยาเลี้ยงบุตรธิดา เลี้ยงบิดามาดาเลี้ยงไครต่อไครจนแทบจะไม่มีเวลาว่างที่จะมาเข้าวัดไม่มีเวลาว่างที่จะหยิบหนังสือธรรมะขึ้นมาอ่านมาฟังเลยนะการที่เราสามารถมาวัดได้นี้ก็แสดงว่าเป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่งอย่างหนึ่งน้อยคนที่จะมาเข้าวัดได้อย่างสม่ำเสมอคนส่วนใหญ่ที่เรียกว่าเป็นชาวพุทธนี้ จะเข้าวัดก็เฉพาะเวลามีเหตุเท่านั้นเช่นเป็นวันเกิดเป็นวันตายหรือว่าเป็นวันมงคลทางพระพุทธศาสนาเช่นวันอาสาหบูชาวันมาคบูชาวันวิสาขบูชาถึงจะมาเข้าวัดกันสักครั้งหนึ่งแล้วเข้าวัดบางทีก็เข้าไม่ถึงวัด เามาแล้วก็ไม่ได้อยู่ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ศึกษาก็ทํารคำสอนมาขอจุดธูปเทียนสามดอกแล้วก็หยอดเงินใส่ลูกบริจาคบางทีก็กลับไปแล้วหรือบางทีก็นำสังฆทานมาถวายพระพอพระอนุโมทนาให้พรเสร็จก็กลับแล้วให้หลวงพ่อได้พักผ่อนไม่อยากจะรบกวนหลวงพ่อเนี่ย พราะไม่มีความสนใจที่จะศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเลยลักษณะแบบนี้ท่านเปรียบเหมือนกับไก่ได้พลอยไก่นี้ธรรมดามันจะคุ้ยเขี่ยหาแต่ตัวหนอนตัวไส้เดือนเป็นอาหารเวลามันเจอเพชรเจอปลอยนี่มันจะเขี่ยทิ้งไปเพราะมันกินไม่ได้เพราะมันไม่รู้ว่ามันมีคุณค่ายิ่งกว่าตัว หนอนตัวไส้เดือนพวกคนที่ไม่สนใจกับการศึกษาพราะธรรมคำสอนไม่สนใจกับการปฏิบัติธรรมทำบุญก็ขอให้ทำแบบขอไปทีทำไปเพื่อให้มันสบายใจเท่านั้นเองแล้วก็ขอกลับบ้านเพื่อที่จะได้ไปทำภารกิจอะไรต่างๆอีกต่อก็เลยไม่ได้รับประโยชน์เพราะ ตัวศาสนาตัววัดที่แท้จริงนี้อยู่ที่คำสอนของพระพุทธเจา้าถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจา้าวัดต่างๆก็เป็นเหมือนบ้านดีๆนี้เองบ้านของพวกเราก็ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจา้าวัดนี้ถ้าไม่มีคำสอนไม่มีพระมาสอนไม่มีผู้มาปฏิบัติธรรมวัดนี้ก็เป็นเหมือนบ้านธรรมดานี้เองเหตุที่วัดนี้เป็นวัดก็เพราะว่า มีการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าเป็นวัดเพราะว่าเมื่อมีการศึกษามีการปฏิบัติก็จะมีการบรรลุผลก็คือได้รับประโยชน์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ถาวร ที่เราจะไม่สามารถพบได้ในบ้านของเราเราจึงต้องมาวัดกันดังนั้นการที่พวกเราสามารถมาวัดได้ในแต่ละครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากมากแล้วยิ่งถ้ามาเป็นประจำได้นี่ยิ่งยากใหญ่มีใครบ้างที่มาวัดได้ทุกอาทิตยมีใครบ้างที่มาแล้วไม่ขาด นานๆอาจจะต้องมีเหตุนั้นเหตุนี้ทำให้มาไม่ได้ดังนั้นการที่เราได้มาวัดได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนจึงเป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งด้วยเพราะถ้าว่าถึงแม้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเข้าวัดมาศึกษามาปฏิบัติธรรมเราก็ยังจะไม่ได้รับประโยชน์ จากการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบกับพระพุทธศาสนานี่คือสิ่งที่ยากข้อที่สาที่พวกเราได้พบแล้วขอให้พวกเรารักษาบันให้ได้ขอให้พวกเร า, าพรารยายามทําให้มันเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่พวกเราให้ได้และยังมีข้อที่สี่ที่เป็นสิ่งที่ยากข้อที่สที่พระเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่ยากก็คือ การมีชีวิตอยู่คนเรานี่ชีวิตไม่รู้ว่าจะยาวจะสั้นอย่างไรคนบางคนเกิดมาวันเดียวตายไปก็มีเจ็ดวันตายไปก็มีเดือนหนึ่งตายไปก็มีปีหนึ่งตายไปก็มีห้าปีสิบปีตายไปก็มีน้อยคนที่จะอยู่ไปถึงอายุเ0็0สิเก การที่ดานดำรงชีวิตอยู่นี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายเพราะจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆต้องทามาหากินดิ้นรนหารายได้หาเงินหาทองเพื่อจะได้ซื้อปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูและยังต้องเสี่ยงภัยกับภัยต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มีภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมไฟไหม้ พายุและยังมีภัยจากคนมิจฉาชีพต่างๆแล้วยังมีภัยที่เกิดจากความหลงของตนเองเช่นเสพสุรายาเมาเสพยาเสพติดสิวุบรีอันนี้ก็เป็นภัยภัยมืดภัยเงียบที่ฆ่าชีวิตของเราไปอย่างทีละเล็กทีละน้อยคนสูบุหรีเดื่มสุรานี้หมอบอกว่า มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆโรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็เกิดจากปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้คือดื่มสุราดื่มสุราแล้วก็สูบบุหรี่หรือเสพยาเสพติดหรือรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะชอบกินของหวานหวานมันๆแล้วก็ไม่รู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร กินแบบพิ่มเพื่อกินตามความอยากอยากกินเมื่อไหร่ก็กินกินจนกระทั่งร่างกายนี้มีน้ำหนักเกินแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมามีโรคเบาหวานโรคไขมันอุดตันโรคหัวใจวายโรคไขโรคสมองเสื่อมอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นภัยที่เกิดจากความโง่เขลาเบาปัญญา ของตัวเราเองที่ไม่รู้จักวิธีดูแลรักษาร่างกายของเราให้อยู่ไปอย่างยืนยาวนานนี่แหละเป็นสิ่งที่ยากน้อยคนที่จะอยู่ไปถึงอายุ 80-90 แบบพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้แล้วถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่เมื่อไหร่ โอกาสที่เราได้ประโยชน์ที่เราจะได้จากพระพุทธศาสนาก็หมดไปประโยชน์ที่จะได้จากการเป็นมนุษย์ก็หมดไปประโยชน์ที่จะได้จากการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะหมดไปเราก็จะเกิดมาแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าเราตายไปเสียตั้งแต่วันนี้สิ่งต่างๆอันเลิดอันวิเศษ ที่เราควรจะได้รับจากพระพุทธศาสนาจะไม่ได้เลยดังนั้นต้นตทะเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราจงอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้คิดอยู่เรื่อยๆว่าสังขารร่างกายของเรานี้มันเป็นของไม่แน่นอนมันจะไปได้ทุกเวลาไม่มีใครกำหนดรู้ได้อาจจะไปวันนี้ก็ได้อาจจะไปพรุ่งนี้ก็ได้ดังนั้นจึงไม่ควรประมาทนอนใจ ไม่ควรผัดวันประกันพรุ่งควรที่จะรีบตักตวงประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับจากการมาพบกับพระพุทธศาสนาประโยชน์จากการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ประโยชน์ที่เกิดจากการได้มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาไปปฏิบัติขอให้เราพยายามทุ่มเทเวลาเวลาที่เรามีให้กับการตักตวงประโยชน์ เหล่านี้จะดีกว่าการเสียเวลาไปตับตวงประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ชั่วคราวเช่นการหาเงินทองเพื่อที่จะได้มาซื้อความสุขต่างๆเป็นความสุขชั่วขณะที่มีร่างกายนี้อยู่เท่านั้นพอร่างกายนี้ตายไปใจก็ไม่ได้อะไรไปไม่ได้ตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปไม่สามารถที่จะ ทำให้พบชาติหมดสิ้นไปได้ควรที่จะมาให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะดีกว่าเพราะเราจะได้ตัดพบตัดชาติตัดภัยต่างๆให้มันหมดไปจากจิตจากใจของเราอย่างถาวรเลยนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะเตือนตอนเองอยู่เรื่อยๆว่า พวกเรานี้ได้มาพบกับสิ่งที่วิเศษแล้วเหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วเวลาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราควรจะทำอย่างไรเราก็ต้องไปขึ้นรางวัลกันไม่ใช่เก็บลอตเตอรี่ไว้ในบ้านแล้วก็มัวไปทำงานทำการจนลืมไปขึ้นรางวัลกันพอถูกลอตเตอรี่ปั๊บนี้ต้องรีบขับรถไปขึ้นรางวัลก่อนแล้วฉันใดพวกเราก็ได้ถูกลอตเตอรี่อันวิเศษ คือได้พบกับพระพุทธศาสนาได้เกิดเป็นมนุษย์ได้มีโอกาสเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้มีเวลากระทำสิ่งเหล่านี้เราไม่ควรจะปล่อยเวลาอันมีค่านี้ให้หมดไปกับการทำอย่างสิ่งอย่างอื่นเพราะสิ่งอย่างอื่นที่เราทำนี้จะให้ประโยชน์กับเราชั่วชีวิตนี้เท่านั้นแต่ยังจะต้องให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป เราต้องรีบไปขึ้นรางวัลวิธีขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาก็คือฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆฟังแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติปฏิบัติอะไรพระพุทธเจ้าก็สอนง่ายๆสข้อใหญ่ๆข้อที่หนึ่งให้ทําทานข้อที่สองให้รักษาศีลข้อที่สให้ปฏิบัติธรรมคือภาวนาทำสามข้อนี้ทําจากข้อที่หนึ่งไปสู่ข้อที่สอง และข้อที่สเหมือนกับการเรียนหนังสือไปจากชั้นป .1 แล้วค่อยขึ้นป .2 ป .3 ไปเพราะมันมีความยากง่ายต่างกันไปข้อที่หนึ่งก็ทำทานอย่างวันนญาติโยมก็มาทำทานกันทำแล้วข้อที่สองก็มาหัดทำกันคือมาหัดรักษาศีลห้าเก่นมาละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัรพย์ประพฤติผิดประเวณี พูดปดมดเทศเสพสุรายามาพยายามทำไปไม่ยากถ้าจะทำจริงๆแล้วไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของพวกเราถ้าเราคิดถึงรางวัลที่เราจะได้รับจากการที่เราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะรู้สึกว่าไม่ยากเหมือนกับเวลาเราไปขึ้นรางวัลที่หนึ่งนี้ถึงแม้ว่ามันจะยากอย่างไรเราก็จะไปอย่างแน่นอน ไม่มีรถเราก็ต้องเช่ารถไม่มีเช่าเมืองเงินเช่ารถก็ต้องยืมรถต้องหาวิธีไปจนได้ฉันใดถ้าเราอยากจะได้รางวัลของพระพุทธศาสนาเราก็ต้องหาวิธีมาทาทานให้ได้หาวิธีมารักษาศีลห้าให้ได้แล้วเรารักพอรักษาศีลห้าได้เราก็จะมีกำลังที่จะปฏิบัติทำได้มาเจริญจิตตะภาวนาได้ จิตตะภาวนาก็คือการนั่งสมาธินี่มาฝึกนั่งสมาธินั่งเฉยๆดูลมหายใจเข้าออกแค่นี้มันจะไปยากตรงไหนหรือนั่งเฉยๆแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าทําได้ใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขแล้วใจก็จะพร้อมที่จะเห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยง ทุกเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราสักวันหนึ่งมันต้องจากเราไปถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นของเราเราก็จะไม่อยากได้อะไรเพราะเราตัดความอยากได้หมดใจของเราก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปการที่เรายังต้องไปเกิดอยู่เรื่อยๆก็เพราะเรายังมีความอยากอยู่ยังอยากได้นั่นอยากได้นี่ยังอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยู่จึง ต้องไปเกิดพอร่างกายนี้ตายไปใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายมีความอยากดันไปมันก็ดันไปให้ไปเกิดใหม่ก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องไปใช้บาปใช้กรรมก่อนถ้ารักษาสี้นห้าไม่ได้นี่แหละคือสิ่งที่พวกเราจะต้องพยายามปฏิบัติให้ได้เพราะถ้าเราปฏิบัติได้แล้วเราก็จะได้รับรางวัลอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับ ก็คือการยุติของการเวียนว่ายตายเกิดและการได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปเพราะใจของเรานี้ไม่มีวันตายนั่นเองใจของเรามีแต่เวียนว่ายตายเกิดหรือไม่เวียนว่ายตายเกิดถ้าเวียนว่ายตายเกิดก็ยังต้องร้องหม่มร้องไห้ต้องทุกข์ต่อไปถ้าไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้วก็จะมีแต่ความสุขไปตลอด จึงขอฝากเรื่องของการได้มาพบกับสิ่งที่ยากสี่ประการนี้คือการเกิดของพระพุทธศาสนาการได้มาเกิดเป็นมนุษย์การได้เข้าวัดฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมและการมีเวลาที่จะปฏิบัติและศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ท่านได้เอาไปพิพจารณา เพื่อจะได้ไม่ไปเป็นไก่ได้พลอยอีกต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนใจและบุญกุศลที่ท่านได้ามาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นตัดใจให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ